เอาอยู่ในความสงบนะลูกหลานนะแต่นี้นะหลวงพ่อจะพูดอะไรให้ฟังจากเล็กน้อยจากท่านจะค่อยคาวะแล้วค่อยกลับบ้านกลับเมืองว่าเป็นภาษาบ้านเฮาเนาะยังคล่งฟังง่ายเมื่อนีเป็นวันเสาร์ที่หตุลาคมพุทธศักราช2556อากก่อนอื่นนะ บอกให้คณะชัตท่ายญยาิโยมจดไปนะจดไ่ฟ้ามือไว้ในคันมมมีกระดาษงานหลวงปู่จามมหาปุญโญบ้านหวยไสย้จังหวัดมุกดาหารที่เป็นมรณะภาพเมื่อวันที่จิบเก้ามกราหาหกจะพระราชทานเพิ่งจรีละของหลวงปู่จามวันที่ห้ามกราคมห้าเจ็ด 1700นของวันที่5มกราคม57ขอประกาศให้คณะเจ้ทาทายาทโวมหลุกลานที่มานั่งอยู่นี่หลวงพอมั่นใจว่าบอผู้ใดก็ต้องผู้นึงละ่ะจิตใจไปงานสาลีละของหลวงปู่จ่ามวัลแลเวล่าดังกาวัะฑ์ของหลวงพ่อแจ้งเข้าให้ทราบโดนบอจากนี้ไปมันก็บรรด้เดือนตุลา พืชจิกาท่านว่าดก็แมนเนี่ยสองเดือนตนเองผู้ว่านั้นขอประกาศให้คณะชาตท่ายัดโยมลูกลานทุกขู่ทุกคนในรับปู่รับทราบตลอดถึงคู่บาอาจารย์ที่นั่งอยู่นี่แหละหลวงพ่อเนี่ยเป็นหลานขององค์หลวงปู่จามเนอเป็นลูกปีไส้ใหญ่ของเพลิลนหลวงปู่จามเป็นน้องไส้โยมพ่อของหลวงพ่อเป็นคนที่สามจากเอ่อ ในทองคุณยาเนี่ยโยมพ่อของหลวงพ่อเนี่ยเป็นผีไส้ใหญ่ของเพิินหลวงปูจามเป็นคนที่สามเพิินบวชแต่อายุยี่สิบเก้าปีแต่สมัยก่อนมื่อกบวชเป็นสมณเณรอยู่กับหลวงปูหมั่นหลวงปูมหปมันเพิินเอาแม่เพิินผ่านมาบานหวยไสย่บ่านแล้วเพินก็โยมปูของ อ่ย่อมพอของหลวงปู่จ่ามก็เลยเอาเกวียนไปส่งยะโสทอนะพ่อไปส่งห ล, ล่ะก็เลยมอบลูกไส้ขึ้นหลวงปู่จ่ามอายุสิบี่ปีให้หลวงปู่มั่นนะจากนกั้นก็เลยบวชหลวงปู่มันก็รับแต่เพลนก็ว่าได้รับในยู่ได้ปุ พ, พับสวกข้าวเพลก็เลยมอบให้หลวงปู่สิงขันตยะคโมหนะลวงปู่มหาปินเป็นผูนั่นเพลก็ลงไปพ่อไปถึงบ้านเพิลนย่อมแม่เพลนกะ มรณะพอมรณะพ้นก็นจัดการประชุมเพิ่งแม่เพ่นเจ็จแล้วพ้นก็นลักหนีจากมูขื่นไปทั้งไปจำพันษายอยู่วัดสะประุมเชีงยงใหม่ไอ้กุงเทพเอ่จากนั้นก็พก่นก็ขื่นไปเชีงยงใหม่เนี่ยหละลงปูจามเลเคยเป็นเคยติดตามลงปูหมันสมัยเป็นเด็กหน่อยตามมาพ้นก็เลยล่าซิกขาพอพ่น เ, เป็นโรคลอยอายุ่1 8แปเกาปีกำลังศิวชเป็นพระนะ่ เป็นโรคลอยก็เลยได้ร่าศึกขาราศิกขาแล้วก็เลยมาเป็นคราวาสอยู่จนอายุยี่สิบเก้าปีเป็นขบวชอายุยี่บเก้าปีบวชเป็นพระพ่อบวชเป็นพระและนาศึกษาได้ครูบาโ น, นยครูบานหนุ่มทั้งหลายพ่อหลวงปู่จามบวชแล้วหนีจากบ้านพ่อบอกพอแม่เพื่นเนี่แม่เพื่นเป็ น, ปนแม่ชี้นะ่ยบอกว่าเออลูกเอ้ยขั้นบวชมากแล้วไม่ต้องห่วงแม่ดอก ไอ้ไปไกลๆลดทั้งไหนสิพ่นทุกในวัตตะสงสารแม่มีดูกัึงแปดเกาข้นมีผูดูแลอยู่หรอกไอ้คู้บาบวแเราไปเลยไปหาพ่อวนานาเราไปตองห่วงแม่นหลงปูจามก็ทราบแม่สั้งแลวกัดพ่อบวดปีนั่นแลเวก็จำพรรษาในหมู่บ้านปีที่สองก็ไปเรื่อยไป ไปจำมัณฑาเพชรบูรณปอปีที่สามก็คืนเชียงไม้จนในสามสิบกว่าปีลงไปยังคอยกลับมาหาแม่คุนอะ่ะบอแม่ธรรมดาได้เนี่ยแหละหลวงพ่อยากจะฝากไว้กับพวกพระลูกพระลานพ่อบวชขามาแดงเดยจะไปโปรดแต่โยมพอโยอมแม่วั้นไปพ่อหอดสามเดือนเท่า น, นั้นนะพ่อว่ออกไปอย่าไปหาปรดพ่อปวดแม่โอ้อยากจะไปวอ่อไปย่กบ่ให้หทำมะให้พ่อแม่ฟังให้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 อจดแหม่พนอาการป่วยหนักเป็นยังมากซอยเบึงแหม่พินยังคอยมาไปชุ่มเพิ่งแหม่พินเอจากนัานก็ยังไปอีกจนญาติพี่น้องใดนิบวนมากนี่แหละฟังดูซิว่าให้นับนิวมือบุญรุกพินเมื่ออายุยี่สิบเก้าปีบวชอร่อยอายุเพนลอยสามปีเอเมื่ อ, อปีปีนี้แหะอายุลอยสามปีอายุลอยสามปีกว่าลงไป ได้หลวงปูจาาได้จากไปเป็นเวลาสักปีชีวิตในการบวชของเพลนน่านถึงขนาดนั้นแหละขนาดสะทายญาติโยมลูกหลานแล้วก็วันทีหาที่จะถึงเนี่ยวทามกราหาเจ็ดเวลาสิบเจ็ดนูนนอจะมีพระราตท่านเพิ่งสรีระของหลวงปูจาาขอนิมณฑคุบาจันทร์ ลูกหลานน้องนูงทางหลายเนอนิมมตอนเนอหลวงพ่อได้น้ำเจ้าภาพอย่างที่ว่าเนี่ยแหละพอเป็นหลานเพลินแล้วก็ขอเชิญพี่น้องลูกหลานผู้ขู่ทุกคนไ ป, ไปร่วมงานรวงปูจามวันที่ในวันดังกาวที่หลวงพ่อได้พูดในฟังนี่แหละพอหลวงพ่อพูดในรายละเอียดในฟัง เ, เพื่อจะให้ลูกหลานคณะสัทธาญาติโยมได้รู้จักว่าเอ๊ะทําไม่ผูกเข้ามาทําวัดมือนี ยังเลวหลวงพ่ออินก็จึงเบาละเอียดละอ่อแฉ่นี่แหละคืะคอหลวงพ่อในนามทนะเป็นหลานของเพลินคือแจ้งข่าวให้คณะสัทธาญาิโน้มทุกปรานทุกขู่ทุกคนพ่อหลายจังหวัดนี่มีจังหวัดอุดรสะกดนครห น, นองคายบึงการจังหวัดเลยที่มานั่งอยู่ตอนหนาหลวงพ่อนี่ยพอให้นข่าวเนี่ก็คงจะกระจายไปในบรรดาพระลูกพระลานทั้งหลายเป็นันดับแรก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 ที่ว่าวันที่18มกราหลวงพ่อก็เลยกลับมากก็เลยว่าได้ไปอีกมีแต่มอมภัยลูกหลานทังทุกเขาจัดการดูแลเรื่องห้องน้ำห้องท่าเรื่องทงหน่งทั้งน้ำถึงเมน่นออ้ยังเขาก็จัดกอฟังงหลวงพ่อก็เป็นผู้ฟังอยู่ทั้งนี้แหละก็ไปเป็นไปได้ดีอยู่ เ, เกือบเรียบร้อยหมดละแต่หลวงพ่อก็ออกค้นสารแหละหลวงพ่อก็พ่งจะไปควบคุมดูแลการงานให้เป็นไปโดยความเรียบร้อย ประวัต ง, งานของหลวงปู่จามันเป็นงานใหญ่ทีเดียวนะเพราะฉะนั้นขอบอกกล่าวให้พี่น้องศรัทธาญาติโยมลูกหลานทุกผู้ทุกคนรับหลูกรับทราบเมื่อในนาวาเป็นวันมงคลมหามงคลยางยิ่งที่คณะศรัทธาญาติโยมลูกหลานทั้งหลายได้มาคารวะครูบาอาจารย์หลายวัดก็ทราบข่าวว่าผึ่งมาจากหลวงพ่อชาร์่ีวัดปลาผู้ก่อน ที่เป็นเพิินเป็นครูบาอาจารย์หลวงพ่อชาลี่กับหลวงพอ่อนี่เกิดปีเดียวกันเอลูกหลานนะแต่หลวงพ่อเนี่เกิดเดือนเมษาหลวงพ่อชารี่เกิดเดือกเกินกรกฎามิถุนาและกรกฎาเนี่ยหลวงพอ่อจําวาชัด่แต่ก็ไปทุกปีในะบา ง, งานวันเกิดของเพิินแต่เป็นหลุดน่องของหลวงพอ่อแต่วาลุกกร อ่อนพันสาก็หลวงพอ่อพันสาหนึ่งพาราะว่าหลวงพอ่อเนี่ยพ่อพบบวชหลวงพ่อบวชแต่หลวงพ่อชารี่เนี่ยอาจจะอายุยี่สิบเต็มเป็นยังคอยบวชนะแต่เพิินกับนี่แหละเป็นผู้มีบุญนักสักไงนะย่างพวกเข้าทันทั้งหลายได้เห็นนะ เ, เป็นเจ้าพระอําเภอนายุง่งพร้อมแล้วกัเป็นเจ้าอาวาสวัดปลาผู้ก่อนทาว้อนวัตถุกก็ยังผวกเข้าได้เห็นมีพระพุทธลูกมีพระเจดีย์ มากมากพ้พุทธพนก่อสร้างขึ้นมาให้ลูกหลานทั้งทั้งหลายได้เห็นนี่แหะคณะสัตยา ญ, ญาณโน้มลูกหลานก็ได้ไปกาลาวคารวะเพิินเรียบร้อยเลยกัลงมาหาลงพอเพราะลงพอน่ยปีที่แล้วก็ว่าได้เจอกันในลงพอบโบยูเนี่ยลงพอ เ, เมืองเบืงการเขามาลงพอยังจําได้ปีที่แล้วลงพอไปธุระยงังบุกแต่ว่าปีนี้มาพบมาเจอลงพอเห็นแล้วก็ภาคพุ่มภูมิอุ่นใจ คณะสัทยาญาติโน้มทั้งหลายถึงอย่างไรก็ตามพวกคณะสัตยาญาติโน้มผูกไฟในการกุศลไฟในการบุญการกุศลถึงจะอยู่ห่างไกลกันก็คืออยู่ใกล้กันคันวหัผู้มีความคิดเห็นแนวเดียวกันแนวเดียวกันจังไรคือว่าเสือ้อเสื้อวาเสื้อในกลับคือการกระทําทํำดีได้ดีทําชั่วได้ชั่วบาป บ, บุญคุ้นโทษมีจริง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 เออตามที่พ่อแม่คูบาอาจารย์แต่ว่าถึงอย่างไรเท้าก่บท่านหลวงปูมันถึงจะท่านหลวงปูมันก็เถอะเออเท่าก็ท่านคู่บาอาจารย์ที่เป็นลูกศิษย์ของหลวงปู่มันอย่างหลวงปูขาวหลวงปูเทศหลวงปูฝันหลวงปูหล่าหลวงปูจวนหลวงปูวั่นหลวงปูต่างๆที่เป็นศิษยานุศิษย์ของหลวงปูมัน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 ทุกวัทุกองก็จุดพุทธะขึ้นกันใช่แนวพุทธะขึ้นกันคือสรุปแ้กก็คือยอย่างที่หลวงพ่อจะสรุปให้ฟังว่าคนในเมืองไทยเนี่ยการทํามาหาเลี้ยงชีพเนี่ยมันมีสัมมาชีพหลายอย่างสัมมาชีพคือวผิดกฎหม่เป็นข้าราชการก็แมนหาเงินขึ้นกัน เ, เป็นเศ้าให้เขาโพดกรหาเงินขึ้นกัน มั่นสำปลังหาเงินคือกันอแล้วก็ขีดยางกห็หาเงินคือกันแล้วก็มีมากไม้ทั่วเหลืองบั ง, ง, ง, เ, องเอียงเอียงต่อเอียงอพอขาประชาชลขายของช่ำํำขายปั่มน้ํามันกันร้วนแล้วแต่หาเงินคือกันอแต่ว่ายางสายลงปูหมันของเฮ้าเนี่ย เ, เพลนว่าเอ า, เอาวิธีการทำหน้าเนอะอยึดแนวแถวแถวนี้แต่สายอื่นเปนอาจจะยึดแนวอื่น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 เม็ดกลมตามตำรับตำล่าในพัดไก่ปิดกคนก็บอกว่ากระษกระดูกท่านผู้ไรก็ตามเมื่ อ, อ, อมราณะภาพลงไปได้ไปชมเพิ่งกระดูกของเพิ่นได้เป็นเม็ดกลมได้เป็นพระธาตุอันนั่นแรกคือพระอรหันต์อันนี้เพิ่นบอกไว้ตั้งแต่ไหนแต่ไรมากเพราะนั้นพ่อแม่ผู้บ่ายจาย์ของพวกเฮ้า เป็นอย่างสันอิริอ่อนไปพบกันจุติในละพานไปแล้วกระดูของเพลนไนกลเป็นพระธาตุให้พว้เข้าในหูได้เห็นพู้นั้นพอเหตุ น, นั้นเขาจึงมั่นใจว่าแนวแถวของหลวงปู่มัน่นผ้าดําเนินเนี่อต้นตะกูลของเข้าในยุคนี้เนี่ยเข้ามั่นใจว่าแนวทางของพระอรหันต์พเพราะเหตุใดเพราะกระดูกอัธิธาตุของเพลนเนี่ยเข้าได้เห็นตามหูตามตาของเข้าเอาบอบ่อเสือก็ต้องเสือ เพราะเหตุใดเพระเป็นอิรีนะเพราะเหตุใดอะไรเข้ากัยึดแนวแถวเสื้อละบานเข้าก็ติดตามละบานห ล, ลวงปูหมันเพิ่นเห็ดจังไดในการภาวนาของเพิ่นในการประพฤติปฏิบัติของเพิ่นเข้ามาเปรียบเทียบกับลักถ้ำข้าสอนสัก่อนบ้านลักถ้ำข้าสอนของพระพุทธเจ้าสะก่อนพระพุทธเจ้านี่ยโบรมะครู่เพิ่นเห็ดจังไดพระพุทธเจ้าเพิ่นก่อนทีเพิ่นจะหนีออกบวช เพลินข้องราชอายุยี่สิบเก้าปีเพลินเห็นคนแก่เห็นคนเจ็บเห็นคนตายเห็นนักบวชเห็นคือเห็นพระเนี่ยเห็นนักบวชเออเพิินก็บอกโอ้ร่างกายสังขารคนเท่าเนี่เป็นของบ่อเทียงแท่เน่นอนได้ตายแท่แท่เห็นแก่แท่แท่เจ็บตายแท่แทเหตุอย่างไรสิโบกแก่พอเจ็บพอตายเนาะพอพุทธเจ้าชิตาธาเพลินขืดได้บาดเพลินเห็นคนแก่คนเจ็บคนตายบัดแล้วเพลินก็ไปเห็นสมณะ เห็นนักบวชนางอยู่เหงาตนใหม่ตามลําพังนางคัดสมาธิรับตาเน่งอยู่ผู้เดียวเนี่ยไปคนไปเห็นเอ๊คานาวาเข้าม่านนางอยู่อย่างพระองค์นี่สมณะองค์นี้สมณะท่านนี่เนี่ยม่านนางอยู่ตามลําพังยังสี่นี่เข้าคงจะคิดเรื่องที่หาทางออกที่พวแกปวดเจ็บปวตายคงจะคิดออกได้ขันมาเห็นยังสี่ยังเห็นยังท่านสมณะองค์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 นี่แหละอันนี้คือต้นคิดของพระพุทธเจ้าของเฮาจากนั้นเพ้นกระกลับขอไปในเวียงวง่งจากนั้นพวกห น, นีออกกลางมาบวชกลางคืนเลยหนีออกจากเวียงว่างกลางคืนเอไปพุทธ น, นะไปเข่าเขตประเทศอื่นพุนนะทธน ะ, ะคุ้งแควเขตแขวงกรุงราชสักคพุทธ น, นะจากนั้นพ้นกับส่งพันดวดในแม่นม้ำแม่นม้ำอโนมาหนาที่อพอสรงพันวดวงเท่าไหรเพิ้นก็บําเพ็ญแล้วบ้าน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 เพิ่นตัดสรุปเป็นพระอนุตรสัมมาสัมโพธียาณวันเดือนหกแผ่นเพิ่นนางคัดสมาธิยังพระประธานที่นั่งต่อหนา้าพวกเขานี่แหละเพิ่นนางคัจฉมาธิก่อนที่เพิ่นจินังสมาธิในมือนั่นเพิ่นบอกว่าได้โสตทิยะไปเกี่ยวหญยาเดินผ่านมาไ ก, ก่คาก็เลยมอบหยาฆ่าให้แปดกับมือให้สิทธะเจ้าสิทธะเนี่ยจ ได้รับยาฆ่าแปดกำมือมากกว่ามาเห็นตนยูดเงาต้นพ่ออยู่แล้วเพราะมันเป็นตนพ่อมันเป็นใบหน า, นานรกเนีหนานเดือนพฤทธสภ า, าเนี่ยพ้นกับหามุมแล้วได้มุมทางทิศตะวันออกพอได้มุมทั้งทิศตะวันออกกัเกียเอาอยาฆ่าสีากามือว่างไปทางหนึง่งสีกามืออีกว่างไปถึงคือประสานกันให้ปลายยาฆ่าประสานกันยางละสีกำมือ จากนั่นเพิ่นกับขึ้นไปนั่งนั่งบนหญ้าข้าหันหน้าไปทางทิศตะวันออกหันพระพักไปทางทิศตะวันออกออจากนั่นเพื่อนนั่งสมาธิมาเลยขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายทํากายให้ตรงดํารงสติเฉพาะหน้ากําหนดลมหายใจเข้ารู้ว่าหายใจเข้าหายใจออกรู้ว่าหายใจออกมีสติสัมปะชัญญะในล่มหายใจเข้าออก บ่อยคิดใจคิดปุงฟงไปทางอื่นบ่อให้คิดถึงอดีตบ่อยคิดถึงอนาคตให้จิตใจหรือพระไทยของผมยูที่ปลายจมูกเท่านั้นฮะอันนี้ก็คือนี่ที่พระพุทธองค์ได้ตัดสรุปในวันเดือนหกเพนในวันนั้นพระอาทิตย์ยังไม่อัจ ด, ดงคือพระอาทิตย์ยังไม่ตกดินตามปฐมมสมโพธิพระเดช ก, กาวไวนะ้พระอาทิตย์ยังวันบวนท่านตกดินกำลังที่ตกดินเออเพล น, นังสมาธิเจตของเพล น, นพระไทยของเพน ใจค่องเพลินร่วมสงบจิตใจนิ่งร่วมสงบเกิดญาณ น, าา น, าานาิทัศนะเกิดชาติปเุเพเนวาสานุสติยานละลึกชาติคนหลังใดนี่แหละถ้ำคำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นว่าระลึกชาติคนหลังใดถ้าว่าพุทธเจ้าเกิดมาชาตินี้ชาติเดียวบม่มีชาติที่แล้วเราจะระลึกไปอย่งได้บกจิตลึกละลึกจิลึกละลึกใด้กันไหนเพราะว่าเกิดมาชาติเดียว อันนี้รักถ้ำข้ำสอนของพระพุทธเจ้าพระว่าตายแล้วบนศูนย์เนอะคณะสัตท่ายาดโยมหลูกหลานเนอตายเราเกิดเนี่ยน ะ, จ ะ, ะเจวปุเพเนว า, านุสติยานระลึกชาติผลหลังได้พ่อถึงเทียงขึ้นเนระลึกเพิ่นเบิงจบของเนียตอนหัวคําเนี่ยเพิ่นเบิงจบของอเบิงตัวพระพุทธองค์เองเข้านี้มาจากใสมาเกิดนี่ชาติที่แล้วมาจากใสชาติก่อนมาจากใสเพิ่นไหลไปมัด ชาติที่แล้วก้อนมาจากสวรรค์คนห่งามาเกิดมาเป็นชิตธาเนี่ยมาจากสวรรค์ชั้นดฤาษีแล้วก่อนที่จะขึ้นไปสวรรค์เป็นไผ่เป็นพระเวทชั้นดรอท่จากพระเวทชันดรอทรไปอีกลาลายลาย ล, ไ, ลไปย่าวยียดเลยท่า น, นี่นี่แหละความเป็นมากของวิญญาณหรือว่าความเป็นมากของพระ อ, องค์เองเพิ่งจังรู้ได้ว่าตายแล้วบู่สย์บุกเพเนวาสานุจติยานล้ำลึกชาติผลหลังได้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 คนหนึ่งพิการคนนึงปัสสวยง่ามเป็นอย่างบนบกคือกันเกิดมาในโลกเป็นมนุษย์คือกันมันน่าจะคือกันพ่อเพิ่นเบิงๆๆไปแล้วนี่แต่ละวิญญาณเบิงไล่ไล่ไล่ไปเรื่ยเ ร, ๆๆเรียกเบิงแล้วเพิ่นบอกว่ากรรมเกิดมาตามกรรมที่ตนได้กระทําไว้ข้านว่าผูา้ใดสอบขาซัตต์ัดชีวิตเกิดมาพบนี่ชาตินี่าตายง่ายข้านบ่ตายง่ายกับทุกพลภาพในร่างกายเจ็บแคงปวดขาหูหนวกตาบอด บ, บ้าใบ เพราะว่าดนเบียดเบียนชัดในอดีต เ, เป็นคนพิกงพิการพอกำรบแต่ละกำบอย่างพระโมคขลา่า เ, เป็นพระอัครสาวกของพระพุทธเจ้าแต่ผลในสุดก็ถูกโจรข่าที่กาลสีลาแขวงุงราชจะคือเป็นอย่างพันยังตายทั้งที่คนทั้งหลายก็สนเท่สงสยัยพระโมคขลา่ามิธรทำคุณง่ามความดีบรทดามาตายมาตายถูกโจรขา่าเป็นเพราะเหตุใดพระพุทธเจ้าว่า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 บอ่อถำในอดีตเนี่แล้วมาปัจจุบันกกรรมยังถ้ำกรรมในปัจจุบันอีกระบบปัจจุบันนกรรมอดีตกรรมปัจจุบันนกรรมท้าวว่าถำกรรมดีในปัจจุบันผลกรรมดีกับทรงให้จังคู่บาอาจารย์นี่แหละบวชเขอมาเนี่ยเป็นผู้รักษาศีลไหว้พระสวดมนต์เป็นพระที่ดีปีนองประชาชุ่นกับให้ความเคารพนับถือเลือ่อมใสเพราะเหตุใดเพราะพ้นเป็นผู้ดีคนดีแต่ว่าพระบางองค์ขึืนมาเนี่ยสมเล่ เ, เท่เมากินเหล้าเมายา ทำตัวบดีรัดท่าญาติโยมกบเบาเหลือบใส่ม่อนับถือเพราะเหตุใดเพราะเหตุกรรมซัว เ, เหตุกรรมบดีทำตนบดีนี่แหละในปัจจุบันนกรรมและอดีตกรรมคือ่อนขันว่าพวกเข้าได้สร้างคุ้ง่ามความดีไว้ให้อดีตกรรมดีเกิดมาพบนี่ชาตินี่ก็ไปเกิดในสถานที่ดี เ, เป็นสถานที่เหมาะแล้วก็เกิดมากกับเจริญรุ่งเรื่องลำลวย การดำเลื่อนชีวิตก็เป็นไปด้วยความเรียบร้อยราบตรึงดีเพราะเหตุไรเพราะกรรมในอดีติเพราะนั้นพระพุทธเจ้าจึงเพิ่งยังตรัสเป็นพระบาลีวาอาคตังดุกตังเสยโยปัชชาตปติดุกตังกรรมชั่วอย่าทำเฉลยดีกว่าเพราะกรรมชั่วเมื่อทำแล้วกรรมชั่วนั้นจะติดตามให้ผลเมื่อภายหลังเพราะนั่นพวกเฮาเป็นลูกศิษย์ของพระพุทธเจ้า การที่จะคิดเชิงไหนก็ต้องคิดดีเมื่อจะ ท, ทําเชิงไหนก็ให้ทําดีเมื่อจะพูดเชิงไหนก็ให้พูดที่ดีคิดดีทดําดีพูดดีคัณว่าพวกเข้าเหตุใ ด, ดจึงสี่งมิจะคว่ำจะเริ่นรุงเรื่องไปอยู่ในสถานที่ใดมิจะความร่มเย็นเป็นซุกนี่แหละพระพุทธองค์เป็นหูนะวะ่าจุตูปะป า, ปาตายาการทุติของสรรพสัตว์ทั้งหลายเป็นมาตามกรรมที่ตนได้กระทําไว้ในอดีต ท, ทั้งปัจจุบัน น, น, นชาติ จากนั่นพ่อจวนสว่างเพลินกระเบิงใจของเพลินใจหรือปัทไทของเฮ้าใจของเฮ้านี่มาจากใสมากเกิดมันจะมาว่นเวียนเวียนวายตายเกิดในบัตะสงสารลุ่มรุ่มร้อนร้อนสูงสูงต่ำต่ำเกิดพบนั่นเกิดชาตินี่ว่ามีที่สินจุดมากไหมมหาสารเพราะเหตุใดพัเพลินกระเบิงอีกว่าโอ้เพราะกิเลสเนี่ยลาา่าฆาตโทษสะโมหเะเป็นผู้นั่มมาเกิดเป็นผู้นั่มดวง เป็นกรรมคือการกระทํานําจิตใจของเห่าผ้ามาเกลเดพบพุ่มต่างๆเพื่อก็ย้อนไปอีกวานี่ยมันมาจากสมาเกิดใจตรงนี้เพิ่นกันพิจารณาลงไปไปถึงปฏิจจะสมุบาทอวิชชาปัจจะยาสร้างข้าราสร้างข้าราปัจจย า, ว, ว, ญญานะวิญญาณวิญญาณนปัจจยานามารูปังนามารูปัสรายจตนะพัฒสเวทนาตันหา อุปทานพบชาติฉรามรณะโศกะปริเทวทุกโ ท, โทมณฑูตนี่แหละอันนี้คือขี้ความเป็นมากของดวงวิญญาณคือใจของเห่า เ, เกิดมาจากตัวอวิชชาคือความโง่เพ่าะความโง่ขึ้นมาแลยกัอวิชชาเป็นปัจจัยอออวิชชาปัจจญาสังขารสังขาราดเป็นสังขารขึ้นมาแล้วก็เป็นวิญญาณขึ้นมาแต่ในพระพุทธองค์ก็ใชยตะปาร้ำขือศินสมาธิปัญญากันกล่องตรายตองอ่อชําระกิเลส จากพระไถยของพระองค์ลดออกจากพระไถ่ใจพระองค์ใจของพระองค์เป็นอิสระเป็นไถ่เป็นอพระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณขึ้นมาบาัดจิตใจเป็นอมตะธาตุเป็นอมตะธรรมจิตใจบริสุทธิ์เพิ่นก็บอกประกาศแล้วชาตินี้เป็นชาติชุดท้ายของเฮาแล้วเฮาบ่าม่าเกิดอีกแล้วสิ่งที่จะทําให้เราเกิดนั้นคือกิเลสราคะโทษสาโมหนะ เล่ากําจัดออกงดแล้วจากพัดไยจากใจของเฮ้าอันนี้ก็คือพระพุทธองค์ประกาศในวันเดือนหกแผ่นที่โคนตนโพออันนี้คือเป็นบ ร, มมร่มมครูของพวกเฮ้าเป็นมาในปฐ ม, มสมโพธ อ, อพุทธประวัติแต่ที่มาเปรียบเทียบกหกลวงปู่มันหลวงปู่เสาของเฮ้าบ้านี้พ่อแม่ครูบาอาจารย์ของเฮ้าหลวงปู่เสาหลวงปู่มัน่นเเพิ่นบอกว่าลูกหลานทางรายเอ้ย าการภาวนาน่านี่จะกําหนดลมหายใจเข่าออกยังพระพุทธเจ้าเป็นถ้าเหมือนกัมันก็ได้แต่มันหลุดง่ายนะสำหรับเข้าเป็นสาวกสาวกะสาวกเป็นพระลูกพระหลานเนี่ยมันหลุดง่ายขั้นหาว่าพกเข้าส้ำทับบริกรรมพุทธโธเข้าไปอีกบ้างนะหายใจเข่าพุทหายใจออกโธคือพระพุทธเจ้าเป็นเพียงแต่ว่าให้กําหนดกําหนดลมหายใจเข้ารู้ว่าหายใจเข้า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 คานาวาเข้าแต่เอาจะ ก, กำหนดล่มหายใจมันลดได้ง่ายมันเผลอได้ง่ายมันหลงได้ง่ายมันลืมได้ง่ายให้สามทบกับพุทธโธเขาอีกเด้ออันนี้ก็คือพอแม่คูบาอาจารย์ของเข้าแนะนำแต่บัดนี้หลวงพ่อแนะนำอีกกรรมาฐานอีกนะเราก็หลวงปู่มันทั้งหลวงตาคู่บาอาจารย์าว่าคานว่ามันยังลดออกไปอยูย่ให้พ่อวนาพุทธโธ ท, ทีๆเด้อไม่ต้องกำหนดล่มหายใจเขาออกให้พ่อวนาพุทธโธพุทโธพุทโธพุทโธ แต่ก็ต้องออกปากก็ต้องเบาเอาใจเอาใจของเฮ้าเนี่ยตัวนึกคิดตัวผู้รู้ลูนให้มันวอกพ้นโททีทีเออว่าให้มันหลงไปของอื่นอันเด่นก็คือประการภาวนาบัดฮานี่หลวงพ่อแนะนําอีกว่าลูกหลานเอ้ยหลวงพ่อเคยภาวนาบัจางจยากหูอยากว่ามันลดจังไดง่ายๆให้ให้ให้ทดลองนับบังหน่าหลวงพ่อบอกวัเนเวลาหายใจเข่า น, นับหนึ่งหายใจออกนับสองสามสี่ ห้าหกเจ็ดแปดเก่าสิบถึงลอยเออหับถึงลอยโบหลงนับถึงลอยบบเผลอเอานับหนึ่งใหม่กลับมาหนึ่งอีกข้วันนับไผ่นับเนเพราะเหตุใดก็เพราะว่าหายใจเข่านี่นับหนึ่งหายใจออกนี่นับสองหายใจเขานับสามหายใจออกนับสี่นับผ่านับหถึงลอยเพราะว่าหายใจเขานับหนึ่งคือเลขคี่ะเลขคี่หายใจออกเลขคู่สอง หายใจเข่าเลขขีสามหายใจออกเลขคู่สี่ขีคู่ขีคู่ขี่คู่ไปถึงลอยคานาวามันบวเผอเอแสดงว่าสติของเข้าดีพ่อสมคุทธนะนับหอดลอยหรือบวเผลอให้เบิงนะ้งเนอกลับไปนี่ยงี้ยมืงขึ้นให้นั่งพ่อนาเบิ้งเนอร์หลุกล้านนะเนอร์ให้ให้นับร่มเบิ้งคานาวานับร่มไปแล้วนับท่านถึงสิบเออหายใจเข่าเป็นเลขคู่หายจะออกเป็นเลขขีแสดงว่า สติของเข้าในยำแย่ขนว่า น, นับว่ถึงชีพก็หลงไปจากว่าซักเทือนอันนั้นเข้าจะไปหัวเราะได้จะไปดีใจได้มันพร้อมที่จะเป็นอันใช่เมื่อพร้อมที่จะเป็นบ้าได้ง่า ย, ายๆคือกันคนขาดสติเพออาราะนั่นเข้าต้องตั้งฝึกสติให้แข้มแข็งอีกหายใจเข่าหายใจออกเบิ้งจิตใจของเจ้าของบเออต้องใส่ใจเป็นพิเศษคือมาหู้บ่ได้เขาจะปล่อยไว้นี่เออมันสติของเข้าเ ล, เลื่อนเรื่องร้อยขนาดเต็มมันใช่บ่ได้แล้ว น, นั่นเองน บัตห้าเท่าแก่มเข้าสีขนาดใดถ้ามันล้อยขนาดนี้เนะพราะนั้นต้องฝึกสติให้แข้มแข็งกันดี่หายใจเข่าให้นับหนึ่งสองสามหายใจเข่าเป็นเหล็กขี่ให้จะออกเป็นเล็กขู่ขี่ขู่ขี่ขูคานาวาบอเผลบอหลงบอลือลมแปลว่าสติของเข้าดีนั่นน่ะเป็นการฝึกสติน่ะอ น, าายยานัสธาียาจโยมเนี่ยเมื่อเข้าภาวนาเท่นี่หลวงปู่เสาหลวงปู่หมันพอแม่ครูบาอาจารย์เพื่อนบอกว่า ข้าวภาวนาถ้มจิตใจให้สกบหายใจเข่าพุทธหายใจออกโทษพุทโทพุทโทษในเมื่อเขานับถึงร้อยหลายครั้งแล้วเพะเผอนะให้กัพระภาวนาพุทโทได้บัดหายใจเข่าพุทหายใจออกโทษหายใจเข่าพุทโทษพุทโทษเมื่อเขานั่งภาวนาไปใจของเขอบริสุทไปทางอื่นอยู่กับลมหายใจเข่าออกที่ปลายจมูกจิตใจจะร่วมเน้อบัดจิตใจจะร่วมสงบปุ๊บลดเลยเย็นว่า แปลว่าเย็นเพชรปกติวันอกไปนี่แหละจิตมันจะเริ่มเริ่มร่วมเลยได้บ้างยึดจิตใจของห้องกำลังเรื่มเริ่มจะร่วมสงบแล้วบาดคณาว่าเ้าใสใจนะพอร่วมสงบวาบลงไปเย็นสบายโอ้บังกีเนี่เป็นอย่างใจของห้องจึงมีความสุขถึงขนาดนี้ว่าอฮู้ได้เลยบาน้าอพอมาเอกเข้าย่าไปสนใจมันนะมันพานไปแล้วนั่นคือการเท่าได้กิน อาหารเลิอดลดแล้วติดอกติดใจแล้วยังคืดหอดบั่นอยู่บ่ได้บด่บต้องคืดของมั่นมันเป็นอดีตแล้วบ่ต้องคืดถึงมั่นอีกหาใหม่กาหนดอยู่กระโปรงหายใจเขาออกยังเก่าเนี่ย น, นะภาวนาจากท่านใจของเขาจะร่วมสงบเป็นอุปจาระสมาธิอันนั้นเรียกว่าคณิกะใ น, นเบื้องตนนะนะ้นอ่ะว่ากันคือคณิกาอุปจาระสมาธินี่คือจิตใจร่วมสงบสติกับจิตนี่ไปในเดียวกัน คือสติหน่ควบค่มตัวผู้รูคือการกับเข้ากังหมไปนั่นสตินึ่คือการกับหมจิตหนึ่งคือการกับเฮ้าเจาขหองเป็นผูกกังหมไปยุดใสก็อยู่ในหมจิตใจของเฮ้าจะบ่หิวบ่ห่วยจิตใจของเฮ้าบกก่กรว้นกับวายจิตใจของอิม่มมีความสุขจะให้คิดจะไปใสก็ไปเมื่อได้ยินเสียง รุดาวากาวเสียง เ, เสียงแง่งกระตา่างใจของเฮาสิบวส่งไปตามมันจะมีสติควบคุมใจของเฮาอยู่ตลอดอันนี้เลยว่าอุปจาะระสมาธิจิตใจกับสติควบคุมกันแต่เมื่อเขาภาวนาเขาเบิ่งอีกเบิ่งจิตใจของเฮาว่าให้มันเผอไปใส่ดูกำหนดเบิ่งให้ชัดเจนบัดนี้จิตใจจะร่วมสงบเลยคันว่าเฮามีความกําหนดบอกให้มันคิดนะให้มันอยู่นิ่งๆเบิ่ง กำหนดกำหนลมหายใจเขาะเบ่งใจเจ้าของอยู่ตลอดใจของเขาจะร่วมสงบลงไปอีกข้าวนี้อาจจะเป็นเหมือนกับ น, นอ่นรับว่ดตึกตกเหียว ต, ตกบออ่อเออไข่ข้าแบบวูบวาบลงไปแลว้วนนัไปแต่ว่าสติกับจิตเป็นอันหนึง่งอันเดียวแต่บางค้อนพ่อวูบลงไปถอยย่านกลัวตายวัาายไปแต่บางค้อนพ่อวูบลงไปมันอยู่ก็แล้ววนนัไปบ้านนี้พ่อร่วมสงบลงข้าวนี่พิษปกติเดียววะสติเป็นอันใดจิตเป็นอันนั้น จิตเป็นอันใดสติเป็นนั้นนั้นจิตกับจิติเนี่เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันมันบอลรับหูท่างกายได้ได้บ่าเนี่ยมันบอลส่งมาท่างตาท่างหูท่างจมูกท่างลิ้นท่างกายบอกหูจักว่าเจะขอกนั่งอยู่ใส่มีแต่ว่าติตกับจิตเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันรวมสงบนิ่งเนี่ยวิธีเอีอันนี้เรียกว่าอัปปนาสมาธิอัปปนาสมาธินี่แหละจิตพ่อถึงอัปปนาสมาธิบอกได้เลยว่า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 พวกเข่าเนี่ยบมีผพดุดธเจริลีกลีนี้พ้นไปได้ต้องตายโดยการทุกคนร่างกายได้ต้องเอาไปเผาไฟถิ้งด้วยกันทุกคนข้น อ, อ, อันนี้คือแน่นอนอยู่แล้วแต่ว่าน้า ม, มาถ้ำขึ้นใจที่อยู่ในใจของเขาเตัวที่อยู่ในกายของเขาเนี่ยจะออกจากร่างได้บางนี่แหละพระพุทธเจ้าพนวาก่อนที่ใจจะออกจากร่างเนี่ยเขาได้ประกอบคุณงามความดีไวบ้บเข่าได้สร้างบุญกุศล เป็นเป็นทีเพียงพ่อแล้วบอกคันนาควาเฮ้าบ่ได้สร้างบุญสร้างกุศลใกล้ๆบ่กวิ่นย่านในใจดวงนั่นบ่มีเงินออกจากกรางไปแล้วก็บ่มีเงินในเมื่อบ่มีเงินคือคนคือค้นบ่มีบุญค้นบ่มีบุญคือค้นบ่มีเงินออกจากบ้านไปแล้วออกจากรถไปแล้วก็เฮ็ดจังไหนบ่ขนบ่มีเงินจะไปหากินข่าไสกัหาบ่ออะไรโตโเตเตไปละบ่ ไปเกิดเป็นสร้างหมางงวกควายหมูหมาเป็ดไก่เป็นได้ทั้งนั้นเพื่นว่าเพราะฉนั้นพวกเข้าได้เกิดมาได้พบพระพุทธศาสนาได้พบพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าได้พบพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลงวล ง, ปลงปู่เสาหลวงปู่มันหลวงปู่หลวงตาเพื่อนแนะนําสั่งสอนให้รู้จักบาปรู้จักบุตรรู้จักขุนรู้จักโทษให้ลูกหลานทั้งหลายจะตั้งอยู่ในความประ ม, มาทเนะ้าตายแล้วบ่อสูญเนะ่า พ่อตายร่างกายเนี่ศูนย์แน่นอนเอาไปเผาไฟทิ้งแน่นอนแต่น้า ม, มาัทธรรมคือใจตรงนั้นออกจากร่างแล้วไปเกิดปฏิสนธิมองอื่นอีกนะเพราะฉนั้นพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าเพิ่งยังบอกว่ามโนปุกพังขมาธรรมามโนเสถามโนมายาเรื่องทั้งหลายมีใจเป็นใหญ่มีใจเป็นหัวหน้าสําเร็จแล้วด้วยใจยนั่นแหละรักธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าเพิ่งว่าเพิ่นให้ความ สำคัญในโซ่เฟอร์มากกว่ารถผลว่ามนโนขึ้นใจ ใ, นใจดวงนี้แหละจะพาไปเกิดในภพภูมิต่างๆเพรผดันขอให้คณะจัดทาญญา่านยอดโยมลูกหลานประกอบคุณงามความดีเนี่ประกอบคุณงามความดีคื อ, อยังให้ท่านรักษาศีลภาวนาโดยเฉพาะ จ, จริงรักษาศีล น, นี่แหละแล้วก็ภาวนาก่อนรับก่อนนอนให้นางภาวนาอย่างที่หลวงพ่อได้บอกนั่งขาขวาทับขาซ้ า, ายบริกรรมพุทโธพุทโธนี่แหละ เป็นมหากุศนอันยิ่งใหญ่ให้พวกเข้าศึกษานะให้ศึกษาในถ้ำคําสอนของพระพุทธเจ้าพราะเขาเป็นลูกศิษย์ลูกหาแต่ละวัดกูบาอาจารย์เพิ่นก็คงจะสอนแง่วันพาเนี่เพื่อนกขคงจะเปิดเทบให้พวกเข้าภาวนาจังไดไหวพระจังไดสวดมนต์จังไดพวกเข้าอย่าห่างเหินจนเกินไปเออให้อยู่ใครใกล้วัดใกล้ว่าใกล้พ่อแม่ผูบาอาจารย์ทางโลกเข้ากับ่ให้ขาดตกบกพร่อง การถ้ำมาหาเลี้ยงชีพเป็นขราชการทุกระดับเท่ากับถ้ำดีที่สดุดย่ายให้ขาดทุกพวกพ้องแต่ว่าส่วนบุญส่วนกุศลทางด้านจจคิตใจก็ย่าให้ขาดย่าให้ห่างจนเกินไปให้ถือว่าตายเราสุบวศูนต์ตายเราเกิดแน่นอนเพราะนั้นขอให้พวกเข้าคณะจัท่าญาติโยมลูกหลานทุกขูทุกคนนะได้ยินได้ฟังถ้ำค่ำสอนของพระพุทธเจ้าที่ลพอุดีนํนมาม้บาบลรยายให้กับพวก เล่าท่านทั้งหลายขอให้พวกเข้าทั้งหลายทุกคนนะลูกหลานนะประกอบคุณงามความดีสร้างบุญสร้างกุศลเขาสู้จิตเข้าสู้ใจยอย่าตั้งอยู่ในความประมาททางโลกเข้ากับยาห้ขาดตกบกพร่องการทํามาหาเลี้ยงชีพการทํามาค้าขายเข้ากับยาห้ขาดตกบกพร่องแต่ทางด้านคิดใจพวกเข้ากับยาห้ยหางจนเกินไปให้ไปทั้งสองยานอาหารกายคือข่าหนาโภชนาอาหารปัจจัยสีเรียกว่าอาหารกาย อาหารใจก็คือบุญคือกุศลที่พวกเข้าจะต้องสร้างสมเขาสู่จิตเข้าสู่ใจของเข้าแล้วก็กรรมชั่วอย่าทํำเสลยดีกว่าเพราะกรรมชั่วเมื่อทํำแล้วจะทําให้ตนเองเดือดร้อนเมื่อภายหลังนี่แหละถ้าว่าพวกเขา้าทำกรรมบอดีไว้กรรมบอดีนั้นจะติดตามในภพภูมิต่อไปพ่ายภาคหนาบ่มีที่สิ้นทุตเพราะนั่นกรรมซัวยาคิดยาคิดซัวยาทําซัวยาพูดซัวนะ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 ที่ผู้ขาได้ทํามาแต่น้อยเท่าไยทํามาในอดีตจนถึงปัจจุบันเ อ, อทําพบบุญกุศลได้พบในชาติใดก็าตามให้มากเกลือกุลนูนขาไปเจ้านอะขาไปเจ้าจะทิมธาตุขันร่างกายแล้วป่านนี้ตายละอบุญกุศลเขามาสู้จิตสู้ใจขาไปเจ้านะ่ะนั่นแหละให้ปล่อยว่างจังสัน่นเข้าระลึกถึงบุญกุศลบุญกุศลทั้งหลายก็จะเข้ามาสู้จิตใจของเฮา จิตใจเขาจะเอบอิม่มถ้าว่าเข้าบาสังบุญสางุศในจิตในใจนะเขาจะเลึกถึงอันอยังเลยเออกูบาปบาปวกุศลทั้งหลายได้กูได้ข้มความชั่วทั้งหลายเห็นมหากูทั้งมัดเด้อเอากชั่วทั้งหลายมันก็จิตแลนขอมาหาคือเรานยะบาปนี้าไปใสรกำชั่วเอออันดับแรกกับ า, าไปตกนร ก, กรนะอนต่อมาก็มาเกิดเป็นสัติระชานเนะี่ยมันเป็นทังสันในกำชั่วเพื่ะนขอให้พวกเข้า ลูกหลานทุกคนนะความแก่ความเจ็บความตายตักเตือนเฮาอยู่ตลอดมากแต่เฮามันลืมมันบวชขึ้นอพอหลวงพ่อยังเป่าเป็นแนวความคิดให้พวกเฮามีตาแก่คนหนึ่งอายุหาหกสิบปีตายไปพ่อตายไปแล้วบาดไปหอดพญโยมพบอบาไนไปเห็นนาพญโยมพอบานนั่นนะ ไปหอดกับโมโหอยู่ในใจอยู่แล้วว่นนี้ไปไปบอกว่าพญายมทํำไงเอาผมม้าบอบอกหลวงหนาคอนผมว่าท่านได้ใส่หนีใส่ศีลผมว่าท่านได้บอกพี่นายกรร อ, อยังมอบหมาย อ, อย่างทั้งหมดเอาผมมาแบบบอบอกบอ ก, กาวอันนี้บอเป็นร้ำสาหรับผมเลยจะแน่เพราะว่าตะแก้ว่าพญายมพอบานเกิดเห็นตะแก่มโมโหขึ้นมาพญายมพอบานบอย่านาไปเด้ ه, พยายากลับมันพยานไปได้โ ต, ต๊บโต๊ะเปี้ยงแล้วกันไปเฮ้ยอย่าพูดอันนี้ปัะโลกนะไม่ใช่มนุษย์โลกนะทามนุษย์โลกพูดตอแหลอย่างนี้ได้อันนี้ปัละโลกอ้าวท่านไม่ได้บอกผมจริงเนี่ยบอกทำไมจะไม่บอกฟังจะเลี้ยงนํำรับให้ฟังผมเขาผมหงอกเมื่ออายุเท่าไหร่อายุหกสิบกว่าปีครับนั่นแหละจดหมายฉบับหนึ่งบอกไป่ แล้วฟันรถล่ะเท่าไรตอนบ้าณหาชิบกว่าครับเออนั่นแหละจดหมายฉบับหนึ่งบอกไปแล้วเตือนไปแล้วแกและนะเ อ, อหงวงงอกเรานะออตาใสใจแว่นตาดเดะอาอยุเท่าไหร่อาอยุประมาณสี่สิบปีตาพาเออนั่นแหละเตือนมาอยู่ตลอดตั้งแต่อายุสามสิบสี่สิบปีจนหอดหกสิบปีว่าพยายมบทถูบทเตือนใดจังไหนเตือนมาตลอด เตือนมาว่าพ่อตาผ้าฟางกระตัดแหนมาใ ส, ส่ซะขั้นว่าแขวลนก็เอาแขวมาใ ส, ส่ไหมซะเอก้อนหูตึงกระหานแนวมาใส่ขั้นว่าผมหงอกผมขาวก็หาห ย, ย่อมหาสีมายอมนี่แหละเขาเตือนมาตลอด อ, อตะแก่หบอสํารึกเองจะให้ทั้งวาจังไรอีกเขาจะเนี่ยพญายมว่านี่แหละพวกเข้าเบิ้งนงให้เบิ้งเจ้าของบ้านนี่ยแต่พญายม่ม มาโทษเนี่าเตือนเนี่ยอย่างใดสำหรับเเ้วบางคนกับตาฝ้าฟ้าบางท่งของหัวผมหงอกหลเซนแล้วออยังหลวงพ่อนี่เตือนมาหลายแนลนะเด้หลวงพ่อบสบองบอมปามาด้หลวงพ่อเนี่ยบบบบเยบิงเจ้าของอยู่ตลอดวันนไปหลวงพ่ออินเนี่ยวันไปนั่นขอให้ลูกหลานเบิงนะเบิงเจ้าของป้าในโยบพอบานยบบรรทุว่าเนี่ยละอย่ามาดื้อด้านต่อยมบรรทูกไปทหารเอาไปลง กระทะจะให้เข็ดต่อไปจะได้ฉลาดกว่านี้เสนอโยมบัพทูตเขเลยให้ลูกน้องไปย้อนลุงหมอตลกคนไปบา้านในหมอหน้อยนึงบานนีเ้เด็กน่อยอายุประมาณยี่สิบกว่าท่านจะบัพทูตครับแต่คนลุงนั้นอ่ะใช่ อ, อท่านได้เตือนแต่ผมเนี่ยยังน้อยหนุ่มอายุเพียงยี่สิบกว่าก็เอาผมมาแล้วออทําไม่ไม่ให้ไม่เห็นความเป็นธรรมสาหรับผมเลยเห็นไหม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 วีซ่าผู้ได้เกิดมากเขาเขียนวีซ่าไว้แล้วเด้กอีกมือดีขึ้นดีเอาคุณจะบินกลับต่างประเทศได้แล้วเนอะถึงกำหนดแล้วบนะัดเท่าได้รับวีซ่าเข้ากันนี่แล้วเมื่อดล่มหายใจเขาเออกเขาก็ทรงขึ้นเม่นทะลังบานาไปต่างประเทศของภัยของมั่นเพราะนั้นขอให้พวกเ ข, าขา้าคณะทัตไายญาติโยมลูกหลานเนี่ทุกคนนะเนี่ยแนวมันบดียาเห็ด